รายการธรรมจัดสรรช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีค่ะช่วงสนทนธรรมเต้นโฟวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านจะเอาว่าวัดป่าสุขโตอำเภอแก่งคร้อจังหวัดชัยภูมิต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะกับพอปีหนึ่งผ่านไปยังอยู่ในเพศนี้ตอนนั้นได้ทำอะไรกับสังคมหรือว่าได้ได้ยังไงเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเองเอาความรู้ที่มีไปใช้ตรงนั้นร่วมกับธรรมะยังไงอะเจ้าค่ะตอนนั้นก็มีงานอยู่สองอย่างที่ได้เริ่มทำขึ้นเพิ่มเติมอย่างแรกคือเรื่องการอนุรักษ์ป่าพ่อวัดเทตมาอยู่คือวัดป่าสุขโตก็มีป่าอยู่500ไร่เป็นป่าซึ่งซึ่งอยู่ท่ากลางซท่ากลางไร่ ไรหมันไรข้าวโพดเป็นป่าป่าประเภทอะไรเจ้าคะมันเป็นป่าดิบแล้งป่าคือข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยแต่ก่อนมันก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากประมาณปี10ึ่งเนี่ยหนึ่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากแต่ตอนที่จะมาไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยสอเนี่ยรอบรอบรอบรวัดเนี่ยมันกลายเป็นไร่มันสับะหลังไรข้าวโพดเขาขับกลุกเข้าไปมีการก็เหลือแต่ยอมปอมยอมป่าอยู่ สองสามยอมยอมหนึ่งคือวัดป่าสุกโตอีกยอมหนึ่งคือวัดป่ามหาวันอัน้นวัดป่าสุกโตนเนี่ยก็จะมีคนมาตัดไม้บ้างยิงสัตว์บ้างไฟป่าเข้ามาบ้างนั้นหน้าที่หนึ่งที่เราทำก็คือว่าช่วยดูแลป่าไอ้ตมา ก, ก็เริ่มมาทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเอาอะไรไปป้องกันตัวเองเจ้าคะขับปืนนะเจ้าคะอ๋อคือเรื่องคือเรื่องคือชาว บ, บ้านเนี่ยเขาไม่คิดจะ จะสู้อะไรกับพ้าใช่ไหมยกให้ยกไว้ให้คือเขาเห็นเราเขาก็หลบแล้วเวลาไปไหนเนี่เวลาเข้าไปในป่าเนี่ยเราเพียงแค่เราทําเสียงสบสาวสบสามเนี่ยเขารู้เขาก็หนีไปละเพราะคนที่ตามมาคือคนในหมู่บ้านอืนะว่าซึ่งเขาก็เห็นหน้าเราเขาก็อายใช่ไหมเขาก็พยายามหลบไม่มีการจะมาจะยิงต่อสู้อะไรกันนะท่านคะแล้วป่าไม้อย่างงั้นไม่มีกรมป่าไม้หรือพวกอุทยาน ชาติไปดูแลหรืเจ้าค่ะตอนนั้นยังไม่มีตอนหลังปี3ามนี่ก็เริ่มมีการตั้งสํานัก ง, งานป่าไม้อยู่อยู่บนเขาเริ่มประมาณปี3ามแต่ตอนที่ตะมาว่านี่ประมาณปี27ก็ยังไม่มีวัดก็ต้องช่วยตัวเองแล้วก็ถึงแม้และต่อมาเมื่อถึงแม้จะมีสํานัก ง, งานป่าไม้อยู่ก็ก็ก ทางวัดก็ต้องช่วยตัวเองอยู่ยเหมือนเดิมท่านธรรมาก็เริ่มทําเรื่องการอนุรักษ์ป่านะกับหลวงพ่ออมเขียนซึ่งท่านเป็นท่านเป็นผู้รมในเรื่องนี้แล้วณนะนะปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างป่าวัดและชาวบ้านเนี่ยดีขึ้นไหมคะถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเดี๋ยวนี้เนี่ย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 เรหลังเนี่ยวัดป่าสุขโตก็จะก็จะสบายหน้าที่ของเราคือปลูกป่าอยาเดียวที่มันเพื่อซ่อมแซมส่วนที่มันเคยเป็นเป็นเป็นทุ่งหญ้า <c oughs> หรือเป็นป่าเสื่อมโสมวัดป่ามหาวันกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆวัดเขาก็ร่วมมือมากขึ้นแต่ว่ากับชาวบ้านอื่นๆซึ่งเขามาจากที่อื่น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 การเทสก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่ามันได้ผลน้อยเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาถูกแรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจทำให้เขาต้องมาบุกลุกป่าทำาไมเขาต้องมายิงสัตว์การบุกลุกป่านเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาชาวไร่ดังั้นเขาต้องการวิธีการเพิ่มรายได้ของชาวบ้านเนี่ยก็คือการการเพิ่มผลผลิต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 ขาดทุนใช่ไหมการผลิตเพื่อขายของชาวบ้านนี่จะลงเอยแบบนี้ก็คือว่าในสุก็ขาดทุนหรือได้กําไรนิดเดียวไม่จะเป็นข้าวแม่จะเป็นแม่จะเป็นมันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยนะแล้วก็เพราะนั่นเนี่ยเราก็พยายามบอกว่าการที่คุณผลิตเนี่ยเพื่อไปขายเนี่ยมันเสียเปรียบเขาวิธีที่จะลดแล้วมันทำให้เป็นนิตสินวิธีที่จะลด วิธีที่จะลดนิติสินคือว่าซื้อน้อยลงก็คือว่าทําเกษตรผสมผสานปลูกผักหรือว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรไปตามเรื่องคือผลิตผลิตผลิตเพื่อเพื่อเพื่อการบริโภคจะทําให้หลดรายจ่ายรายได้จะมีมไม่มากแต่ว่ารายจ่ายก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งจะทําให้การเป็นที่สินน้อยลงแล้วก็เอา เ อ, เอาที่วัดนี่แหละมาเป็นแปลงสาธิตส่งเสริมชาวบ้านปลูกพักปลู ก, กเกษตรผสมผสานปลูกผลไม้แต่ว่ามันไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยข เ, เขาเป็นนี่มากเมื่เาเป็นนี่มากเนี่ยเขาร้อนเงินวิธีอะไรที่ทําให้เขาได้เงินเร็วๆ เ, เขาก็จะทําไอกา ร, กรเกษตรผสมผสานเนี่ยมันมันได้เงินช้ารายจายมันน้อยลงก็จริงแต่ว่าได้เงิน น้อยได้เงินช้าใช่ไหม<ะ>ขายเอาผักไปขายก็ได้ไมาสิบบาท20ิบาท30บาทพ อ, อยังชีพเลยไม่เหมือนเอาเอามันเราไปขายทีหนึ่งห้าตันสิบตันเนี่ยมันได้มา 7, 8, 000, เจ็ดแปดพันเมื่นหนึ่งเงี้ยใช่มเพราะ้นชาวบ้านเนี่ยเขาคขาลอนเงินเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีความศรัทธาหรือความเพียรที่จะทําเกษตรผสมสาน<ะ>สองเกษตรปผสมสานต้องใช้แรงเยอะต้องดูแลใจใส่ จะปลูกผักก็ต้องปลูก้งมาแรงมาเรื่ออะไรเงี้ยต้องดูแลใช่ไมปลูกมาสัปลังในปลูกทิ้งนะแล้วก็ประการที่สามก็คือว่าชาวบ้านเขายังยังต้องการเงินสำหรับการไปซื้ออะไรต่างๆมากมายเช่นอรถเครื่องตู้เย็นหม้อคูข้าวอะไรพวกเนี้ย คือค่านิยมแบบบริโภคมันเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นหมู่บ้านนั้น ม, มีประมาณคนเยอะไหมเจ้าค่ะก็ประมาณมันมี2องคุ้มลนทั้งหมด ก, ก็ประมาณร้อยหลังคาเรือนแล้วเขานิสัยอย่างนี้ทเกือบ เ, อเอยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โอก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสุ ก, ก็ทําไปได้สักพักก็ก็ไม่สําเร็จก็เลยเลิกไปเออก็เลิกก็เลยเหลือแต่เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ แล้วเปลี่ยนอาชีพก็ไม่ได้แสดงว่าปัจจุบันอแล้วเขาเขาจะเอาเงินที่ไหนก้อนเยอะๆก็เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ใช่ไหมก็ใช้วิธีหนึ่งปลูกทำเหมือนเดิมคือปลูกปลูกพืชเพื่อขายพืชเศรษฐกิจเพียงแต่เปลี่ยนชนิดจากมันสัมพันธ์หลังมาเป็นอ้อยจากอ้อยมาเป็นตอนนี้ก็เริ่มเป็นจางพลาอ๋อเป็นยางอ้อย่างพาาขึ้นไปได้แล้วขึ้นไปแล้วอแต่ยางพาราชาวบ้านไม่มีกําลังที่ ที่จะทำหรอกก็เป็นลูกจ้างเขาพยามพลาเนี่กว่าจะให้คลก็หปีชาวบ้านก็ไม่ไหวนะแคชาวบ้านเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็ต้องไปรับจ้างไปรับจ้างทำงานรายได้ของเขาเนี่ย ส, สมมติร0อยบาทเนี่ยไอการปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยทาให้ให้รายได้เขาเพียงแค่40สิบาทอีกหกบาทก็ต้องไปหากินนอกหมู่บ้านไปหาอะไรค่ะรับจ้างตัดอ้อย ก็กลายเป็นรับจ้างไป แ, แ, แต่ก็อยากทําอยู่ใช่ไหมคะพวกไรนานสวนผสมอะไรเดี๋ยวนี้ก็<อ>เดี๋ยวนี้ก็ทําน้อยนะ อ, อ, อตอนหลังเนี่ยทางทางนี่คือหตนี่คือเมื่อเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วใช่หมเจ้าค่ะตอนนี้เราก็พยายามจะเริ่มพยายามส่งเสริมใหม่ส่งเสริมให้ชาว บ, บ้านนี่ยเขาเ อ, อลดรายจ่ายด้วยการ ใช้สารเคมีให้น้อยลงเพราะเดี๋ยวนี้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงเนี่ยยาฆ่ายาเนี่ยเป็นเป็นรายได้เป็นรายจ่ายหลักของเขานะครัเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งปลูกปลูกมันเนี่ยก็ต้องใช้ยาฆ่ายาแล้วช่วงนั้นนี่โครงการอนุ ร, รักษ์นี่ประสบความสําเร็จใช้เวลานานไหคะก่อนที่ชาวบ้านเขาจะเข้าใจก็อย่างสุกโตนี่ก็20ปีนะอตอนนี้ก็มันเริ่มปามก็เริ่มขึ้นมาใหม่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 และปัญหาหนึ่งคือว่าเจ้าที่เราลูกจ้างไมาัแกะถูกพาไปไปทำงานที่อื่นหมายถึงไปดูแลที่อื่นเพราะว่ามันขาดคนก็ไปลาดตระเวนที่น่นที่นี่บ้าง <c oughs> ใช่ไหมพ <c oughs> อไฟมาก็ไม่มีใครไม่มี <c oughs> เรื่องชบ้านท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนกับเป็นพระนักพัฒนาแต่ว่าผลงานที่ท่านออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทางด้านปฏิบัติซะส่วนใหญ่เลย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 ให้ไปพูดปีแรกเลยนะคะตอนเป็นปีแรกแรเพราะว่าตอนที่เป็นตอนที่เป็นตอนที่เป็นคารวะเนี่ยก็ก็มีงานพูดงานเขียนตอนนั้นอ๋อมีเขียนตั้งแต่ยังเป็นคาราวะเลยตอนนั้นเป็นงานแนวไหนเจ้าคะก็เป็นงานแนวเรื่องการพัฒนาสังคมเรื่องเรื่องสันติวิธีโอหนัหนักเรื่องสังคมใช่ไหมค่ะแล้วก็มีเรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องธรรมะแบบแนวคิดแบบพุทธ เช่นเป็นเรื่องการพัฒนาแบบพุทธอะไรเนี่ยดูฟังดูแล้วหรือว่าการเอาการเอาประเพณีแบบพุทธนี่มาส่งเสริมงานพัฒนาคือตอนนั้นเนี่ยตมาอยู่ในวัดวงเรียกว่างานพัฒนาเจ้าค่ะแล้วตมาก็ชื่อเรื่องชื่อเรื่องแนวคิดแบบพุทธเรื่องการพึ่งตนเองใช่ไหมก็เพราะนั้นเนี่ยเมื่อมาบวชเนี่ยก็ยังได้รับนิมนต์ให้ไปพูด แต่ว่าเรื่องที่พูดส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็โดยเพราะเรื่องคือเนื่องจากธรรมาได้เห็นอนิสงส์ของสติก็เอาเรื่องของสตินี่มาม า, มาพูด <Okay. S 1> ให้คนได้ห เ, เห็นว่าจริงๆถ้ามีสติเนี่ยสตินี่มหอนที่ส่งมาก <Okay. S 1> ทั้งในการทํางานทั้งในการดําเนินชีวิตน้อยไม่หลับ ถ้าคุณมีสติเนี่ยคุณก็จะหลับง่ายขึ้นคือพระอาจารย์เริ่มเห็นจากตัวเองแล้วเป็นการถ่ายทอดมันมันได้เห็นชี้แจงให้คนเห็นเพราะว่าตัวพระอาจารย์ค่อนข้างหนักและเป็นคนที่ค่อนข้างถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเป็นคนคล้ายๆตั้งใจจริงมันก็เลยทําให้ขรยดมากแล้วดูเหมือนกับถ้าคนแวดล้อมที่มองบอกคนเนี้เจ้าโทสะจังเลยใช่ใจร้อนใจร้อนค่ะแล้วมาทํำยังไงเอ๊ะมันเย็นลงได้เนี่ย มันเห็นถึงความแตกต่างอ่ะคนโกโรธง่ายแล้วมันมันดับโกโรธได้อแล้วเริ่มเริ่มช่วงช่วงแรกจําจําวันแรกที่บรรยายในในตอนที่เป็นเพศมันปะชิดได้ไหมเจ้าค่ะว่าวันนั้นเรื่องอะไรอ่ะเจ้าค่ะคือเออก็ให้ไปพูดเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติธรรมประสบการณ์การปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็ก็บวมมาได้ซะจรินก็หลายเดือนแล้วนะเจปเดือนแล้วคือช่วงช่วง ช่วงบวชใหม่ๆแต่มาไม่รับงานนะตั้งแต่ไม่รับงานเลยจนกระทั่งออกเข้าพรรษาเนี่ยเข้าพรรษานี่ก็ก็เรียกว่าปฏิบัติแบบอย่างเต็มที่หนังสือก็อ่านน้อยมากแทบจะไม่อ่านหนังสือเลยคือจะปฏิบัติแบบเข้มเจ้าค่ะนะอาจจะมีตอบจดหมายเลยบ้างแต่ว่ามีตอบจดหมายมีคนถามจดหมายด<ก>้วยเหรอเจ้าคะคุยจดหมายเรื่องธุระเรื่องงานเรื่องการก็ยังมีอยู่โอ้ยยังไม่ตัดเดียวแต่ว่าจะไม่ค่อยมีงานการพราะ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 พวกกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ส่งยังไงออส่งจดหมายไปหรือหรือมีการบอกอ๋อคือเรามีรเรามีเครือข่ายที่ชุมนุมพุทธใช่ไหมอาตมามีนุ่นน้องชุมนุมพุทธแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็น NGO นีโอที่อาตมาเคยทํางานแล้วก็บอกว่าเรามีโครงการอย่างนี้เรามีการจัดบรรยายพุทธศาสนาคนหนุ่มสาวในมิติต่ตางๆนี่มนหลวงพออ่องเกียรติมาพูดมีมีเข้ามาเยอะไหมก็สามสิบสี่สิคน เสร็จแล้วก็จัดจับบรรยายมาที่กรุงเทพประมาณสักสี่หครั้งสี่ห้าครั้งเลยเหรอคะอ่าแล้วก็เสร็จแล้วจุดสุดท้ายก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมกันที่วัดตาสุกโตประมาณเจดวันโอ้ให้มาที่นี่เลยจำได้ก็เป็นเดือนเดือนธันวาสองหกหนาวมากเลยตอนนั้นมองเห็นปัญหาอะไรก็ทำไมถึงเล็งไปที่หนุ่มสาวว่าต้องเข้าว้เพราะส่วนส่วนใหญ่หนุ่มสาวจะไม่ค่อย มองเห็นถึงคุณค่าของการเข้าวัดเข้าวังอ่าใช่แต่ว่ามันจะมีพวกที่พวกพวกที่เสียเรียกกับชีวิตมีอยู่นะแล้วก็พวกที่ทํากิจกรรมคือตมานี่ใจใจคุ้นเคยกับในบ้านของเราผู้ที่ทํากิจกรรมทั้งที่เป็นนักศึกษาทํากิจกรรมค่ายทากิจกรรมพวกสลัมทํากิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมพวกชุนุพูดด้วยแล้วก็พวกพวกเอ็ก็พอจะรู้จักคนพวกนี้ก็แนะนําำเข้ามาใช่ไหม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 แต่แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมจริ ง, รงๆก็ <c oughs> ไม่ถึงกับมากนะแต่ว่าความสนใจใช่นการอ่านการการเอามาใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มคือเริ่มเริ่มกิจกรรมแบบนี้ใช่ไหมแล้วตามาเขานิมนต์ไปพูดอย่างเช่นไปพูดเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติธรรมก็ก็ไปพูดคนก็ไม่เยอะแต่ว่าก็เริ่มมีความสนใจแล้วก็คือตามา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 ช่วยพิมพ์หนังสือให้กับมูลนิธิกรมอังกิมทองเกี่ยวเรื่องศาสนานี่แหละเข้ามาแล้วก็ตอนหลังเราก็ทางมูลนิธิก็พิมพ์หนังสือของอาตมาด้วยอ่าแล้วก็มีปีสองเจ็ทางมือนิธิก็นิมนต์อาตมาไปเป็นองค์ปาถกประจําปีของมูลนิธิกรมอังกิมทองก็ไปพูดเรื่องว่าแสวงหารากทางชีวิตในโลกแห่งกิจกรรมอ ชื่อมันก็ไปเตะเตะไปกระทบใจคนที่ทำงานกิจกรรมะนะว่าการทำกิจกรรมนี่มันต้องมีรากฐานชีวิตด้วยหรื อ, อแล้วก็ได้ทราบว่าเมื่อพิมพ์ประกถาชุดนี้คือจะมาเขียนก่อนเขียนก่อนแล้วพิมพ์ปมเป็นเล่มประมาณ <27. S 2> คาาือสองเจประมาณเกือบร้อยหน้าร้อยหน้าแต่ตอนนั้นมันเป็นตัวตั ว, ต, วตัวแบบ ตัวตัวใหญ่เนี่ยนะตัวขนาดเนี่ยนะพะอาจารย์ได้ข้อมูลมาจากไหนเจ้าคะมันมากมายเหลือเกินก็แนวนคิดทางพุทธศาสนาเช่นแนวนคิดเรื่องอธิษฐานธรรมอธิฐ า, <ๆ S 2> านธรรมเนี่ยคือเรื่องอธิฐานนี่หมายถึงว่าการมีจิตที่ตั้งมั่นการมีจิตที่ตั้งมั่นคือต้องมีมีปัญญามีสติมีสมาธิแล้วก็มีความสุขอะไรพวกนี้ด้วยเข้ามาก <ๆ S 2> ็เอาแนวคิดนี้ก็ามาเขียน ใ, ให้มันร่วมสมัย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 ก็บอกว่าทํางานต้องมีความสุขน ะ, ะแล้วความสุขเกิดขึ้นต้องมีสติอย่นก็ก็โยงมาอย่างเนี้ยคนอ่านเขาก็เริ่มน้อมมาทางนี้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะ ท, ที่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะนะักกิจกรรมนะเจ้าค่ะ <c oughs> แต่พอ พ, อพอแบบพอคนพูดเนี่ยบอกว่าให้ลงมาที่ตัวฉันหน่อยก็จะตั้งใจฟังแต่จริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยใช่แต่ว่าตามาก็จะจะเนื่องจากใกล้ชิดกับ คนพวกนี้ก็จะรู้ปัญห า, าอุปสรรคของเขาคนพวกนี้เนี่ยเเป็นคนมีอุดมกติใช่ไหมเขามีคนอุดมกติแต่ก็ต้องต้องการเน้นว่าคุณอุดมกติคุณเนี่ยมันจะมันจะไม่ผันแปร <S <S ถ, ถ้าเกิดคุณมีมิติด้านจิตใจซึ่งพุทธศาสนาเนี่ยมีคำตอบให้มีแนวทางให้นะรก็ก็ได้ทราบว่าหลายคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เกิดความ ทับใจแล้วจิตใจก็โน้มมาเรื่อ ง, องการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องของพุทธศาสนามากขึ้นปัจจุบันยังมีมีตีพิมพ์อยู่ไหมเจ้าคะมันจะไปหาอ่านได้ที่ทไหนไม่ได้ตีพิมพ์มา <นะ S 1> <ะ>พิมพ์ไม่ได้ตีพิมพ์มาสิกว่าปีแล้วเพราะว่ากลายเป็นหนังสื อ, เ, อ, อเฉยไปซะแล้วเพราะว่ามีจริงๆรนี่เรื่องใหม่ๆของ<ช>พระอาจารย์เนี่ยขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าตะมาเขียนหนังสือเลื่อนั้นเมื่อยุยยี่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 ใบบวงเล็กๆอ่ะของพวก n อ o อบ้างหรือว่าของของพวกหนังสือพิมพ์ที่อาจจะอาจจะเผยแพร่วางขายในตลาดแต่ว่าลงครั้งสองครั้งเช่นนิตยสารครัวเคยได้ยินนะเซลสังคุยซีอะไรเงี้ยลงครั้งสองครั้งเข้าไปอยู่ในนั้นได้เขามาขอเขาบทความเนี่ยเขาความบอกว่าขอบทความไปตีพิมพ์หน้าสุดท้าย อะไรเงี้ยคือเขาจะไปขอบทความจากคนที่น่าสนใจซึ่งมันก็มีเยอะในเมืองไทยใช่ไหมก็ขอมาเปลี่ยนไปเล่มละคนเล่มละคนแต่ว่าที่พิมพ์ประจําก็มีนะซึ่งสนใจก็ก็มักจะมีการตีพิมพ์เป็นเล่มเช่นมัติชนสุสัปดาห์พอได้พอได้ไปแล้วก็เอามารวมเล่มมัติชนสุสับดามัติชนรายวันติชนแล้วก็สารคดีจนปัจจุบันนี้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 ก็เช่นเดียวคนทั่วไปเวลานึกถึงความตายแล้วก็จิตใจแล้วก็หวั่นไหวอาตมายังจำได้เมื่อช่วงปี1นึงแปดเนี่ยตอ น, น, นตอาตมาทำเป็นใกล้ๆเป็นบอกก่อสารปราจรรยสารก็ไปทําบทความหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของครูโกมันชิมทองครูโกครูโกมันชิมทองแกถูกยิงตายเมื่อปี1นึง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 ศพ ส, สองศพไม่เหมือนภาคใต้เวลานี้ภาคใต้เวลานี้มั น, มนแรงกว่า น, นั้น <c oughs> แต่ที่โน้นเนี่ยเป็นเขตสีแดงแล้วเขตสีชมพู <Nice. S 1> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาไปก็หนึ่งเราก็เราก็ตกเป็นที่ระแวงสงสัยไหมของเจ้าหน้าที่รัฐสองอบรรยากาศการต่อสู้เรื่องความตายมันก็ทำให้เรา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 หลุงพ่อจำเนียนมาสร้างหลุงพ่อจำเนียนกุลเศรโถวเนี่นะแล้วก็ท่านก็มีประวัติในเรื่องของการพิจารณาอสุภกรรมฐานอยู่มันจะมีเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังนึกทำให้เราก็ผวาเวลานึกถึงเรื่องความตายก็ทําให้เกิดคําถามมาไว้แล้วเราจะเราจะเผชิญรับมือกับมันได้อย่างไรถ้าเกิดว่า มันเกิดขึ้นกับเราตอนนั้นตอนปีอะไรนะเจ้าค่ะก็ยังยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชแต่นี่นี่ี่เป็นเป็นจุดหนึ่งที่เริ่มเริ่มอยู่จุดประกายใช่แล้วก็ลุนตมันจะเป็นรุ่นที่ใกล้ชิดความตายบ่อยๆได้เห็นไหมคะได้เห็นความตายต่อหน้าเคยได้เห็นไหมเจ้าค่ะก็เคยก็กลัวรถอุบัติเหตุเกิอุบัติเหตุกลางถนนแล้วเห็นศพแล้วก็ก็ตั้องใจดูหรือว่าเบือนหน้าหนีเจ้าค่ะ มันทั้งเบือนหน้ามันทั้งหยาบเห็นแล้วแล้วก็หืมมันก็ค <okay> ้างมันติดตาอยู่นานอเพื่อนตรมาคิดว่าคนราเนี่ยมาต้องเจอพวุงนี้วันยังค่ำแล้วเราจะหนีมันได้ยังไงตอนนี้มีทางหนีได้เริ่มคิดแล้วก็ช่วงของประมาเนี่ยผ่านในการณ์14ตุลาผ่านในการณ์6ตุลานะมีส่วเสียเพื่อนไหมก็มีนะแล้วก็ก่อน6ตุลาก็มีการรอบสังหารคน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 คนรุ่นอัตธรมเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมันจะมันอดคิดไม่ได้เรื่องพวกนี้แล้วก็พอมาบวชเนี่ยผูทศศาสนาก็จะพูดถึงเรื่องของมรณสติพูดถึงเรื่องของความไม่ดีของชีวิตความไม่ดีของสังขารซึ่งก็ทําให้ธรรมเนี่ยก็เริ่มหามาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆมากขึ้นกับตอนที่ ได้เห็นหนังสือเล่มนึงชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษที่เบทเท o บุ๊กออฟ i n g and Dying ์ดายิงของโซเกียรินโปเชซึ่งเป็นหนังสือที่มีชื่อมากในในตนตกนั่นประมาณปีสามเจเขาเขาเป็นคนชาวชาวอะเาเป็นคนทีเบทอ๋อเป็นที่เบทเพราะฉะนั้นตรงนี้อ้าวแต่ตีพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษแล้วก็ได้รับความนิยมมากในในในยุโรปอเมริกาใช้ภาษาที่ไพเราแล้วก็รวมสมอไปไเจอหนังสือเล่มนี้ที่ไหนจ๊ะมีคนแนะนํามีคนแนะนํา เพื่อนที่อเมริกาแนะนำแล้ว ก, ก็มาให้ยืมอา่านนะแล้วก็แล้ ว, วาบอกว่าเป็นหนังสือเล่มนี้ได้รับความชมมากไม่้พในหมู่พระสงฆ์ชาวพุทธก็เลยสนใจที่จะแปลอัตมาก็เริ่มแปลในปีสามเก้าเล่มแรกนี่ภาษาอังกฤษชื่ออะไรนะเจ้าค่ะคือชื่อมันชื่อที่เบตเท o o บุ๊กออฟลิฟติแล้ว<า>ท่านมาเปลี่ยนปไทยเป็นประตูสู่สภาวะใหม่ ประตูสู่สภาวะใหม่นี้เป็นเป็นภาคสูสภาวะสภาวะใหม่นี้เล่มแรกเหรอเจ้าคะแต่ยู่มันคือภาคสองของของเล่มนี้นะตอนแรกคือจากใจถึงใจจากใจถึงใจคือบทหนึ่งในประตูสู่สภาวะใหม่เป็นบทแรกของประตูสู่สภาวะใหม่เจ้าค่ะซึ่งอาตมาอซึ่งทางกุมารกิมทองเขาแยกออกมาพิมพ์เพราะว่ามันอ่านง่ายบทนี้แล้วก็ทำให้อาตมาได้ ได้รับประโยชน์เป็นส่วนตัวจากหนังสือเล่มนี้มากแล้วก็คนที่เขาได้อ่านเขาก็ได้รับประโยชน์อย่างทียตมาก็นึกไม่ถึงกลายเป็นหนังสือซึ่งต้องที่เล่มตาแล้วก็อ่านยากแต่ว่าก็ ก, ก, ก, ก็ต้องตีฟิล์มหลายครั้งที่บอกว่าเขาได้รับประโยชน์นี่คือเขามาอ่บอกเราหรือยังไงใช่เขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยเขาเอาวิเอาเอาแนวคิดจากอาวิธีการแล้วก็แนวคิดของหนังสือเล่มนี้ไปใช้กับญาติของเขาเวลา ซึ่งกลังปวนะ่วยนักโดยแนวคิดนี้ถ่ายทอดมานิดน้งยไหมคะอย่างเช่นการช่วยให้การช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยการเขาตายอย่างสงบโดยเขาโดยโดยให้ความสมคัญกับเรื่องของการปลดปรื่องสิ่งคั้งขาดใจ อะไรที่ค้างคาใจเนี่ยต้องให้เขาปล่อยวางให้หมดคุณคุณโซเกียนนี่เป็นนักบวชหรือว่าเป็นเป็นเป็นนักบวชเป็นก็เียว่าเป็นพระชาวทิเบตเป็นพระแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรื่องอย่างนี้ออกมาคือเขาเป็นการขยายความจากคำภีบาลนัสซาของทิเบตที่มีชื่อมากคำพีนั่นชื่อเป็นภาษาอกว่าทิเบตเทิลบุ๊ออฟออฟดายิง เพื่อเพื่อตายที่เบตันบุ๊กออฟเดอนะซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องว่าภาวะใกล้ตายและภาวะก่อนตายภาวะขณะที่กลังจะตายแล้วก็ภาวะหลังตายหลังตายหลังตายอธิบายด้วยแล้วพูดด้วยว่าแม้กระทั่งจะช่วย จะช่วยคนนะใจว่าคนกันคนที่อยู่ในภาวะหลังตายได้อย่างไรหให้ก็ได้รับการหลุดพ้หนหนังสือเล่มนี้พี่ชื่อเป็นภาษาทิเบต น, นะถ้าแปลเป็นไทยก็บอกว่ามหาวิมุติมหาวิมุต ด, ด้วยการฟังคือเพราะเชื่อว่าแม้กระทั่งตายไปแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นได้เข้าสู่นิพพานได้ด้วยการฟังคัมภีร์นี้เพราะฉะนั้นคัมภีร์นี้เนี่ยก็จะอ่านให้กับคนตายไปแล้ว เพราะยังเชื่อว่าในช่วงที่คนตายเนี่ยก็อยู่ในภาวะยังไม่เกิดอันตรภพเนี่ยอยู่ในพอันตรภพคือยังไม่เกิดคือพ้นจากภพนี้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่สู่ภพใหม่เนี่ยเรียกว่าอันตรภพคือภพระหว่างกลางเนี่ยยังมีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้เข้าถึงนิพพานได้แสดงว่าเขายังวนเวียนอยู่ใกล้ๆดใช่พวกเราตรงนั้นแล้วเราสามารถที่จะถ่ายทอดไปได้สามารถที่จะได้ยินเขาได้ยินได้ยินบทสนม คือเราไม่รู้ว่าเขาจะรู้ไม่รู้แหละแต่เราก็สวดให้แล้วแล้วมีความเชื่อว่าเขาจะได้จากตรงนี้เขาจะได้ยินแล้วเขาจะเขาจะเกิดสติขึ้นมาอมที่จะเห็นที่จะทําให้เขารู้เท่าทันถึงสภาวะต่างๆใ น, นตรพกตอนนั้นเนี่ยมันจะมีมันจะเหมือนกับเกิดแสงเกิดสีมีประสบการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับจิต <c oughs> ในยามนั้นเนี่ยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ย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 คนที่ใกล้ตายยาติมีเขาก็มาขอให้ไปไปไปนําทางให้เริ่มนะคะพอเขียนตําราแสดงว่าต้องมีความรับใช้ฌานชำนาญระดับหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปไปพูดนําทางให้ให้กับผู้ผู้ใกล้ตายรายแรกนี่เยเป็นอะไรเจ้าข้าก็เป็นแม่ของเป็นแม่ของเพื่อนนะเป็นแม่ของเพื่อนซึ่งซึ่งเออ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 อันที่หนึ่งเนี่ยมันช่วยช่วยทำให้ญาติทาให้ลูกเนี่ยเขามีความปล่อยวางได้คือบรรยโยาจิตใจของของคนที่เป็นญาติได้ในสองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาได้ผู้ป่วยนี่เขารับรู้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ลงเอ่ยว่าเขาไปอย่างสงบใช่ไหมแล้วก็ท้าวเจ้ามทราบก็หลายคนที่เขาเอาแนวคิด ว, วิธีการของหนังสือเล่มนี้ไปใช้นะ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 นำทางให้กับผู้ตายการบรรยากาศความสงบเนี่ย <c oughs> ก็เริ่มก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นว่าแม้กระทั่งไม่ว่าจะก่อนตายหรือหลังตายเนี่ยบรรยากาศอย่งความสงบก็สําคัญ <c oughs> เราไปคิดว่าเ้าตายแล้วเขาไม่รับรู้อะไรเราจะไปทําอะไรกับศพไปทําอะไรกับร่างก็เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูก <c oughs> นะเพราะว่าในเพราะว่าจิตนะเนี่ยจิตก็ยังอาจจะรับรู้อะไรได้ถ้าเกิดว่า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 ช่วงสนทนธรรมเจริญโพ์ในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสกิดใจ ชิอยู่รู้ได้ทันทีว่าภูมิจิตของเราขณะนี้คิดอะไรถ้าปัจจุบันคิดนึกดีตายเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทวดาเดี๋ยวนี้แต่ถ้าโดยมากคิดนึกไม่ดีตายเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปนรกและถ้าขณะนี้เราไม่มีกิเลสลับโลกกรธหลงได้ตัดขันห้าได้ ตายขณะนี้จิตของเราก็ไปสู่มรรคผลเรื่องสูขหรือไปนิพพานได้คติธรรมคำสอน หลวงพ่อสนมกระตักพงโยจากหนังสือธรรมสารณะ